นี่พูดอีกนายหนึ่งอายุพุทศาสนาก็ร่อยรอไปทุกทีทุกทีทุกทีเนี่ยนะพระพุทธศาสนานะยังไงก็ไม่เจริญขึ้นหรอกเชื่อเหมือนต้นไม้ที่มีลำต้นอายุนอนมากเนี่ยนะพูดอย่างนี้ไม่ใช่ว่าพูดแบบคนไม่รักพุทธศาสนานะี่ยไม่ได้พูดอย่างนั้นแต่บอกว่าเนี่ยมันเป็นอย่างนี้ตามความเป็นจริงถามว่าประชาชนคิดถึงพระพุทธเจ้ามากไหมก็ไม่มากเขาบอกก็ในที่สุดก็อย่างว่านะพระองค์ก็ค่อยๆอย่างนี้เพราะว่าจริงๆไม่ใช่ว่าพระองค์ไม่ดี แต่ว่าคนไม่รู้คุณของพระองค์เมื่อไม่รู้คุณของพระองค์ก็ไม่นับถือพระองค์ก็ไม่ใส่ใจในสิ่งที่พระองค์สอนก็ไม่รู้พระองค์สอนและดีอย่างไรเนี่ยนะเพราะฉะนั้นอย่างสมมุติว่าเราเจอการพับคุยเรื่องพระพุทธเจ้าเนี่ยนะยอมว่าจะได้สักกี่นาทีถ้าเทียบกับคุยคนกับถึงคนอื่นบอกโอ้ยเลื่อมใสพระพุทธเจ้าเนี่ยนะโอ้ยพูดถึงยกมือกราบจริงๆเลยนะแต่เชื่อมถ้าเขาคุยเรื่องพระพุทธเจ้าได้ไม่กี่นาทีอะ แต่คุยเรื่องคนอื่นนะอุ้ยเปลี่ยนเรื่องแล้วเรื่องเล่าเวลาแล้วเวลาเล่าเนี่ยนะต่อเวลายืดตีกเพื่อจะได้คุยให้มันนานนะถ้าคุยเรื่องคนอื่นนะเรื่องอื่นนะคุยเรื่องอื่นคุยได้ทุกเรื่องเว้นไว้แต่เรื่องที่พระธรรมที่พระองค์สอนนะพอคุยเรื่องพระธรรมปั๊บมีธุระทันทีเออแปลกนีนะถ้าคุยเรื่องความปฏิบัติดีของพระสงฆ์เนี่ยยากถ้าคุยเรื่องนักการบ้านการเมืองอุ้ยไปได้คนแล้วคนเล่าคนแล้วคนเล่าสภาแล้วสภาเล่าเออมันแปลกนะทําไมเราห่างพารัตระไตรขนาดนั้น ก็จริงวันหนึ่งเราเราคิดคนในโลกเนี่ยนะมีประชากรมากมายเราคิดถึงพระพุทธเจ้าเนี่ยเอางี้เลยกันวันก่อนเนี่ยมนันกำคำนวณคิดเล่นๆชีวิตของเราวันหนึ่งนะเรามีใจให้พระพุทธเจ้ากี่นาทีเอางี้นะมาคิดอย่างเงี้ยชีวิตทั้งชาติเลยเอาทั้งชาติเนี่ยเรามีเวลาอยู่ประมาณเอาอายุร้อยปีเลยเต็มพิกัดนะสมมตินะแม่มีบุญเก่ามาดีมากอายุร้อยปีตายอันนี้หลับไปสัก เฉลี่ยแล้วเนี่ยนะหลับกลางวันหลับกลางคืนบวกลบคูณหารบวกลบกลบนี่ 7-8 ดชั่วโมงทั้งตอนป่วยตอนไข่มั่งไม่ป่วยมั่งอะไรมั่งอ่ะนะหลับนั่งหลับมั่งนั่งมั่งเข้าพวังบ้างอะไรบ้างเนี่ยเข้าไปประมาณ8ดชั่วโมงแล้วเกี่ยวกับหลับนะให้กับเวลาเกี่ยวกับอาหารเนี่ยวันละกี่ชั่วโมง ถ้าถ้าบางคนที่ต้องปรุงอาหารเองนะอยู <narrative> 5, um ่กับเรื่องอาหารวันละห้าหกชั่วโมงทั้งขับรถไปกินทั้งกำลังกําลังมั่งกินวิจารณ์เรื่องอาหารแบ่งเวลาให้อาหารวันละเกือบหกชั่วโมงแบ่งเวลาให้กับการแต่งตัวแบ่งเวลาให้กับการอาบน้ำล้างน่ะแปรงฟันแต่งตัวเนี่ยนะวันละกี่วันละชั่วโมงไงเกี่ยวกับเรื่องชําระดูแลตัวเองเนี่ยนะหมดเวลาไปเรื่องทานเรื่องแล้วก็แบ่งเวลานะถ้าคนผู้ชายก็แบ่งเวลาให้ภรรยาบ้างแบ่งเวลาให้ลูกบ้างผู้หญิงก็แบ่งเวลาให้ สามีบั่งแบ่งเวลาให้โลกบ้างแบ่งเวลาให้เพื่อนมั่งแบ่งเวลาให้งานบ้างแบ่งเวลาให้นู้นให้นี่ตกลงเราเหลือเวลาให้พระพุทธเจ้าเท่าไหร่เนี่ยนะเหลือเวลาให้พระพุทธเจ้าเท่าไหร่เออแล้วเราแบ่งไปแบ่งมานะเหลือเวลาให้พระพุทธเจ้าเท่าไหร่เหลือเวลาให้พระธรรมเท่าไหร่เหลือเวลาให้พระสงฆ์เท่าไหร่แล้วเหลือเวลาให้ศีลเท่าไหร่ เหลือเวลาให้สมถะเวทเท่าไหรเหลือเวลาให้วิปัสสนาเท่าไหร่เหลือเวลาให้เจตนารักษาอะไรนะเจตนาเว้นจากปานาติบาตกี่นะทั้งชาติเลยเอาเจตนาเว้นจากปานาติบาตถ้าเอามาต่อกันเนี่ยถึงสักถึงชั่วโมงไหมทุกคน <c oughs> ไม่ถึงไงเจตนาในอธินนาทานเว้นจากอธินนาทานนะเจตนาเว้นเนี่ยถ้าเอาตัวเจตนาที่เว้นมาต่ อ, ต, อ, ต, อต่อกันเนี่ยได้ไหมสองชั่วโมง แต่ละอย่างแต่ละอย่างเนี่ยนะสรุปว่าศี่ห้าพกการก็ไม่ได้5้าชั่วโมงนะพระพุทธเจ้าอาจจะนานหน่อยนะก็ดูเอาเนี่ยนะแล้วจิตที่อยู่กับสติปัฏฐานเนี่ยนะที่เป็นสติปัฏฐานที่เป็นคุณธรรมเนี่ยกี่นาทีที่อยู่กับสัมมประธานนะ่ะตัวสัมมประธานเพียนละเพียนเจริญเป็นต้นตัวตัววัดตัวคุณภาพนะวัดความคิดเนี่ยเหมือนวัดเม็ดข่า เม็ดอ่านเลือดอะนะอ่านว่าเลือดเนี่ยมีอะไรเท่าไร่เท่าไหรอย่างไรเนี่ยชั้นใดก็ดีเราก็มาวัดดูใจเราเนี่ยอยู่กับสัมมประทานกี่นาทีอยู่กับอิธิบาทกี่นาทีอยู่กับโพชฌงก์กี่นาทีอยู่กับสัตตินรียเท่าไหร่อยู่กับวิริยินซียเท่าไหร่สติินรียเท่าไหร่สมาธินซีเท่าไหร่อยู่กับโพชฌงก์เท่าไหร่อยู่กับองค์มร์เท่าไหร่อยู่กับคํำสอนเท่าไหร่อยู่กับอะไรเท่าไหร่เนี่ยจะรู้ว่าโอ้โหจนจริงๆใครว่าเกิดมาได้อริยสัพย์นิดเดียวเนี่ยนะ ว่าโอ้ถ้าไม่สงสารตัวเองแล้วใครจะสงสารใครเนาะขนาดนี้นะนึกคืดอย่างนี้ทนีนัโอ้ทำให้ขยันพูดธรรมะขึ้นอีกเยอะเหมือนกันนะเพราะเร จ, จะได้เอาเอา่างน้อยเอาชั่วโมงก่อนก็ยังดีเออชีวิตหนึ่งเนี่ยอยู่กับธรรมะตั้งเยอะนะแต่วันนับชั่วโมงเอาไม่งั้นเนี่ยตลอดชาติ น, นะบางทีเราแบบบวกลบกลบนี้เบ็ดเสร็จแล้วเนี่ยนะหักเหมือนโทรศัพท์ะนะบางทีเราอาจจะอยู่กับธรรมะแค่ไม่กี่ชั่วโมงก็ได้ทั้งชาตินะถึงไม่ห้าหมื่นชั่วโมง ตลาดชีวิตอยู่กับคําสอนนะตัวคําสอนน ะ, ะ, ะเรื่องอื่นเกี่ยวกับพันกับคําสอนไม่ใช่ตัวคําสอนตัวสาระตัวสาระเลยนะตัวพุทธังทำ ม, มังสังคังสาราสนังคัจฉามิศินสมถาวิปั ส, สนาเป็นต้นเนะี่ยอยู่เท่าไหร่นะจารย์ินิจคิดว่าจะให้เวลาพระพุทธเจ้ากี่ชั่วโมงวันสมมุทวันละชั่วโมงไงวันละชั่วโมงเหลือเวลาอีกกี่วันคํานวณก็ได้เท่านั้นนะฮนะ ก็เหลือเวลาคิดก็ง่ายๆว่าจะจะให้ชีวิตเนี่ยทั้งชีวิตเนี่ยจะเหลืออยู่กับพระพุทธเจ้ากี่ชั่วโมงอยู่กับพระธรรมกี่ชั่วโมงแบ่งที่จริงนะถ้าเป็นสตังเนี่ยเราเก่งมากเลยใช่ไหมเท่านี้ให้ลูกเท่านี้ให้ร้านเท่านี้ให้เสือ้อเท่านี้ให้ผ้าเท่านี้ค่าน้าค่าไฟค่าอุ้ยแบ่งหมดแบ่งเป็นหมดนะเก่งมากเลยนะฉลาดมากเลยแต่ว่าใจของเราแล้วแบ่งให้อะไรบ้างวันๆหนึ่งต่อชาติหนึ่งหนึ่ง แล้วถามว่าอย่างที่ว่าเราทําทุกอย่างหมายทำเพื่อ น, นั่นเพื่อ น, นี่เอาไม่มีสิ่งนั้นเป็นอารมณ์แล้วจากโลกนี้ก็ไม่เอาอีกนั่นแหละแล้วทําเอาว่าเอาบุญแล้ววันหนึ่งอยู่กับบุญเท่าไหร่แล้ก็มาแบ่ง น, นะพยายามคิดคนนนะดํานวณดูนะก็ดีคราวอานิสง์การเรียนบวกลบคูณหารก็ทําใหนะ้เออเรามีชีวิตอยู่กับศรัทธาเท่าไหร่มีชีวิตอยู่กับศีลเท่าไหร่แล้วเราคิดถึงพระพุทธเจ้าได้กี่นาทีถ้าชาตินี้เราคิดถึงพระพุทธเจ้าได้เท่านี้ แนวโนม้มมันชาติหน้าอยากจะคิดถึงพระพุทธเจ้าต่อหรือว่าคิดจะเลิกมันมีนะบางคนเนี่ยศึกมันก็เหมือนกับคิดง่ายๆเหมือนศึกษาธรรมะศึกษาเพื่อที่จะศึกษาต่อต่อต่ อ, ต, อ, ต, อต่อไปบางคนก็คือศึกษารอวันเลิกบางคนก็ศึกษาเราทรงกับซุดทรงกับซุดบางคนก็ศึกษาเรียกว่าขึ้น ข, นขนลงลงอ่งะนะเหมือนขึ้นเขาลงเขาอ่ะเหมือนขึ้นเขาลงเหวอ่ะนะที่ขึ้นเขาเนี่ยเขาเตี้ยๆแต่ว่าลงเหวในลึกเลยไงนะขึ้นลงขึ้นลงมันก็มีหลายประเภทอ่ะนะตัววัดอ่ะนะตัววัดหลายอย่าง เัราเราเนีใจของเราเป็นยังไงทีในี้ใจของเราเนี่ยนะเมื่อมันอยู่กับพระพุทธคุณธรรมคุณธรรมคุณสังฆคุณขนาดนี้ยอมมาคู่ควรไหมแก่โสดาปฏิมัติคู่ควรแก่อะไรนะคู่ควรแก่ปิดอบายทุกขติวินิบาตนารกไหมคู่ควรแก่นี้นี้เห็นอริยสัตว์เลยคู่ควรไหมวันนี้ทุกนี้ทุกขสมุทัยนี้ทุกข์นิโรดนี้ทุกข์นิโรธคามินิปฏิปทาควรไหมที่จะพ้นทุกข์ควรไหมที่จะ ดับทุกถ้าเราให้คะแนนตัวเองเลยอ่ะวิชานี้เป็นวิชาให้คะแนนตัวเองประกาศนัญาบัตรออกเองปริญญากิดออกเองเนี่ยนะปริญญากิดออกเองปหารกิจออกเองกิจในการรอบรู้ออกเองกิจในการละออกเองกิจในการทําให้แจ้งออกเอาเองกิจในการเจริญเจริญเท่าไหร่สมบัติแต่เพียงผู้เดียวเนี่ยนะเรียกว่าเป็นของประจําตัวแต่เพียงผู้เดียวเนี่ยถ้าคิดมาคํานวณในแงนี้เนี้ยเรา ขอบคุณตัวเองดีใจกับตัวเองอนุโมทนาตัวเองเลยใช่ไหม <c oughs> ชื่นชมตัวเองจริงๆนับถือตัวเองมากเลยใช่ไหมคุณจูแหมสงสารเลยนะแหม น, นะเขาบอกว่าถ้าวัดอายุกันโดยกุศลธรรมเนี่ยนะเราควรจะอายุกี่วันดีอายุกี่ปีเดียถ้าเอาจวตัวชาวนาที่เป็นกุศลเนี่ยนะที่เป็นกุศลเลยนะแล้วเอากุศลเนี่ยมาเรียงกันวันละยี่สิบสี่ชั่วโมงเนี่ยนะอ่าสามสิบวันเป็นหนึ่งเดือนเนี่ยนะสามรอยหสิบห้าวันเป็นหนึ่งปี ตัวชีวิตของกุศลจิตเราควรจะอายุเท่าไหร่กี่ปีดีสามสิบได้ไหมไมิถึงเลยนะยี่สิบอายุกุศลจิตยี่สิบยี่สิบปีเนี่ยนะถึงไหมอายุกุศลจิตห้าปีโอ้ยห้าปีนี่มันเบบี้มากเลยนะมันเด็กมากเลยนะถ้าอายุแบบโอยวัดดัชนีแล้วกุศลจิตถ้าเอามาเรียงกันเนี่ยนะอ่าวันละยี่สบสี่ชั่วโมงบอกได้ตั้งปีหนึ่งอายุขวบเดียว เรื่อหาท่านไม่ถึงนั้นอีกโหไม่ถึงขวบนย่างเงี้ยแต่ยังก็น่าสงสารเหมือนกันนะก็เอ๊เราเนี้ยได้อริยสัพ์ไปเท่านี้จริงๆแต่ก็ช่างเถอะจะได้เท่าไหร่มันก็เป็นบุญของเราอ่ะนะจะเท่าไหร่ก็แต่ว่ากุศลเนี้ยนะถึงจะทําโดยวิถีจิตถึงจะทําไม่มากแต่ก็มีค่า ย, ยิ่งนะักอกุศลถึงมันจะเกิดเป็นร้อยปีพันปีหมื่นปีมันก็เกิดมาสังสารวัฏอันยุยาวมันก็ไม่ได้มีมันไม่ได้มีผลมากเหมือนกับกุศล อกุศลไม่ให้ผลมากเท่ากับกุศลเหตุผลทำไมเพราะว่าอกุศลมันมีอุทจักกุกุจะประกอบมันมีโมหะประกอบมีอกุศลความเลวร้ายอยู่ในตัวประกอบมันเลยไม่มีกำลังมากเหมือนกับกุศลกุศลมีเอกคตามีสมาธิมีศรัทธามีฮิริโอตปะมีคุณธรรมประกอบเยอะเพราะงั้นเหรเป็นสิ่งที่มีราคามากเป็นสิ่งที่มี คุณค่ามากนะนะเป็นสิ่งที่เรียกว่าแม้กระทั่งเกิดครั้งเดียวมันก็มีมีผลมากถ้าเกิดได้บ่อยๆละ่ะถ้าเกิดได้เยอะๆละ่ะก็ยิ่งมีผลมากแต่ทีนี้สําหรับคนที่จะเจริญคุณธรรมนะี่นะต้องเจริญให้กุศลจิตเนี่ยเกิดบ่อยๆก่อนให้กุศลจิตเนี่ยเกิดบ่อยวันหนึ่งอะค่าเฉลี่ยควรอวัลกี่ชั่วโมงถ้าเป็นเอามาตรฐานที่พอจะบรรลุมรรคผลได้เว้นแต่ละไม่มีความคิดไหนที่จะตกไปอกุศลเลย ถามว่าท่านทําได้ยังไงเพราะท่านความรู้ท่านมากเห็นอะไรปั๊บท่านรู้เลยว่าคือเห็นสิ่งหนึ่งปั๊บแนวโน้มมันจะไหลอะไรออกมาเนี่ยนะท่านรู้หมดเพราะนั้นท่านตัดซะ ก, ก่อนก็แปลว่าตัดไฟต้นลมหมดละเพรา ะ, ะนั้นอากุศลมันจึงไม่ค่อยเกิดเพราะคนที่กุศลจิตเจริญดีๆเนี่ยต้อ ง, ว, นน ง, อ ง, ว, งวันหนึ่งต้องเกินสิบชั่วโมงวันหนึ่งต้องเกินสิบชั่วโมงหรือวันละสิบห้าชั่วโมงหรือวันละสิบสองชั่วโมงก็เข้ากับคนมันก็แบ่งเวลามันต้องกุศลจิตต้องเกิดเกินสิบชั่วโมง มันจึงจะค่อนข้างแบบอนนั้นอยู่ในระดับที่พอใช้ได้นะนะพอใช้นะแต่ว่ามันก็มันก็ใช้ไม่ก็ดีเท่าไหร่นะนะแต่ก็ต้องถ้าเกินกว่านั้นบ่อยๆถ้าถ้ากุศลจิตเกิดไม่บ่อยยานสัมปยุทธ์มันโอกาสมันน้อยมากไอ้ยานสัมปยุทธ์เนี่ยมันแปลว่ามันไม่ค่อยแบบคือคือเขาค่อนข้างจะว่าขี้เกียจกับขี้เกียจนะนะไม่ค่อยกระเดินนะไม่ค่อยขยันเท่าไหร่ ถ้ากุศลจิตไม่เกิดบ่อยเช่นกุศลศีลกุศลอื่น ๆ, ๆ, ๆถ้าเกิดน้อยเนี่ยสมถาวิปัสนาเขาเขาไม่ค่อยเกิดคือเชิญเขายังไงเขาก็ไม่มาเหมนกันถ้ากุศลปัญญาระดับนี้เกิดน้อยวิปัสนาระดับสูงก็เกิดอ่อนถ้าวิปัสนาระดับล่างๆน้อยๆเนี่ยเช่นอนิจจาทุกขาอานิจจานุปัสนาทุกขา น, น า, นานุปัสนาอนัตตานุปัสนาถ้ากุศลธรรมเหล่านี้เกิดน้อยคุณเชื่อไหมนิพพิทาแทบไม่มีเลย บอกอุ้ยเบื่อเหลือเกินเบื่อเหลือเกินเบื่อทุกวันเนี่ยนะเบื่อเรื่องอะไรบ้างเอาเะเบื่อเรื่องที่ไม่สมความปรารถนาถ้าทุกคนคิดได้อย่างที่ตัวเองต้องการหมดคิดว่ายังจะเบื่ออยู่หรือคิดว่าจะเบื่ออยู่อีกหรือน่ยนะอุ้ยไม่เบื่อหรอกเนี่ยนะคือข้าว่าไปรวมๆแล้วเบื่อเพราะผิดหวังนะะเบื่อเพราะไม่สมหวังหรือเบื่อเพราะมันมีอะไรนะมันดีน้อยกว่าที่ตัวเองต้องการก็เลยทําเป็นเบื่อเนี่ยนะอาจจะรู้สึกว่าเบื่อเป็นต้นแต่ว่าถามว่าเบื่อจริงๆริงไหม ถ้าคนระดับสูงเก่งๆเขาเบื่อแม้กระทั่งกุศลจิตเบื่อกุศลจิตในฝังให้ดีนะเบื่อด้วยนิพพิทานุปัสสนาไม่ใช่เบื่อด้วยธรรมดาเนี่ยนะแม้แต่กุศลก็ยังเห็นว่าเป็นสังขารธรรมกุศลก็ยังเห็นว่าเป็นสังคตธรรมก็ยังเทระว่าธาตุข้าพพระองค์เปรียมให้เห็นอย่างนี้ว่าคนที่ใช้เรือเรือธรรมดาเนี่ยนะเรือเรือที่คุณภาพไม่ถึงกระดีนกนะักเนี่ย เพื่อไปข้ามฟากเมื่อข้ามถึงฝั่งแล้วเราจะแบกเรือขึ้นไปต่อไหมชั้นใดก็ดีแม้แต่สัมมาทัและพิปัสนาเขายัางละเลยนะถ้าจะขึ้นบกอนะถ้าจะขึ้นบกจริงก็ต้องทิ้งเรือว่านั้นแต่จึงจะขึ้นบกไปได้ชั้นใดก็ดีคนที่จะเจริญคุณธรรมเนี่ยนะจากปริตตะเป็นมหคตะนี่จะขนาดไหนจากกุศลธรรมธรรมดาเป็นปริตตะเนี่ยเพิ่มคุณภาพให้เป็นมหคตะ จากมหคตะนี่ให้มันเป็นที่ตั้งแห่งสมถะและวิปัสนาที่เคียงคู่กันไปเป็นระดับโลกุตระนี่เราก็มาไล่กลับมาดูว่าอุ้คุณเราทำนั้นเนี่ยมันต้องมากมายขนาดไหนย้อนกลับมาดูระดับล่างเราอยู่กับพระพุทธเจ้าเท่าไหร่ผู้ที่เป็นเจ้าของธรรมะเนี่ยนะเท่าไหร่อยู่กับที่สิ่งที่พระองค์สอนเท่าไหร่อยู่กับความปฏิบัติดีของผู้ที่บรรลุมรรคผลทั้งหลายแล้วเนี่ยเราแบ่งใจให้เราหรือเท่าไหร่ แต่ทําไมเราที่จริงเนี่ยกุศ ล, ลจิตเนี่ยนะคนที่จะเจริญได้บ่อยเนี่ยพระองค์บอกว่าอุปาเทที่ตับพังจิตตั้งอุปาเทที่ตับพังทําความคิดให้เกิดขึ้นว่าเราจะเจริญอะไรก็แปลว่าจิตตุ บ, บาทที่เป็นกุศลต้องคิดว่าเราจะคิดอะไรบ้างต้องตั้งแบบนี้นะจิตมันจึงจะคิดถ้าไม่ตั้งอย่าว่าอยากคิดเลยนะว่าจะคิดถ้าไม่คิดจะเจริญสติปัฏฐานสี่ยังไงก็ไม่ยอมเจริญ ถ้าไม่คิดจะเจริญศรัทธายังไงเราก็ไม่เจริญศรัทธาถ้าไม่คิดจะเจริญศีลไม่คิดจะเจริญฮิริโอต ป, ปะไม่คิดจะเจริญสติปทานสามัคคธานถ้าไม่ตั้งจิตเพื่อจะเจริญเอาจริงเอาจังแบบแบบแบบเรนะียกว่านับแล้วนั่นเองอะ น, น, นะนับกระใจตัวเองอะนะคุณต้องคิดให้บ่อยนะคุณต้องคิดให้มากนะคิดแล้วมันดีนะอย่างเต้องบอกตัวเองบ่อยๆแนะนําตัวเองบ่อยๆตักเตือนตัวเองบ่อยๆแต่ย่าขู่มันมากเลยอันนี้มันก็เข็ดมากแล้วล่ะนั้นต้องให้กําลังใจแล้วล่ะเนี่ยนะทเรียกว่าอะไรนะ ยิ่งยิ่งยิ่งขูมากนะยิ่งไปกันใหญ่เลยนะยิ่งมัวแต่ดูถูกตัวเองเลยไม่ได้ลืมเจริญไปเลยนะต้องประเภทแบบรู้จักเรียกอะไรนะสงสารตัวเองบ้างนะกล่อมกลาตัวเองแนะนําตัวเองตักเตือนตัวเองเธอให้กําลังใจบอกดีนะม <c oughs> ีประโยชน์นะ <c oughs> เคยทานยาไหมยาเนี่ยบางทีต้องกล่อมตัวเองทานใช่ไหม ทานหน่อยนะมันดีนะอย่างเงี้ยนะเหมือนกับคนป่วยหยอด้าวหน้ำข้าวต้มเลยไหมดีนะคำหนึ่งก็มีประโยชน์ไนะกลืนไปเถอดดีนะอย่างเงี้ยนะคล้ายๆก็นึกว่าเหมือนกันกุศลธรรมทั้งหลายเราก็ต้องหมั่นหยอดให้เกิดขึ้นในจิต ใ, ใจใจของเราให้บ่อยๆถ้าเราไม่หยอดกุศลจิตให้เกิดในใจเราบ่อยๆใจมันก็ไม่คุ้นเคยแต่ที่สําคัญที่สุดคือการตั้งใจเพื่อให้กุศลธรรมเหล่าใดเกิดกุศลเหล่าใดบ้างที่อยากเกิดในใจของเราเนี่ยนะ ใจของเราเนี่ยถ้าเราคิดบอกว่าร่างกายเนี่ยเราต้องมีวิหารมีที่อยู่ที่พักและที่อาศัยใช่ไหมใจของเราเจะพักไว้กับอะไรพักไว้ที่ไหนเรวาวิหารเนี่ยนะใจของเราจะสร้างอะไรเป็นวิหารของเราก็แมก็อยากถ้าเป็นรูปธรรมอยากเปิดดูใครพักอยู่บ้านอะไรใจเลยนะ บ้านประเภทไหนเนาะบางคนพักอยู่กับศีลบางคนพักอยู่กับพรหมวิหารพรหมวิหารนั่งดูหลังคารั้วหรือเปลา่ามีที่มุงที่บังพอที่จะนั่งสงบร่มเย็นไหมบางคราะหอวิหารมีหนึ่งอ่าพรหมวิหารสองที่พระวิหารสาอ่อาอริยวิหาราแล้วก็อิริยาบถวิหารอิริยาบถไม่ต้องอเพราะว่ายังไงเราก็อยู่อยู่แล้วล่ะเชอเหรยังไงก็ไม่ยืนก็เดินไม่เดินก็นัง่งไม่นั่งก็นอนเ่ยนะมันก็ธรรมดามันอยู่แล้วล่ะ เสร็จแล้วพรอมมิหารเป็นยังไงนนมีที่อยู่ไหมใจของเราพักอยู่กับเมตตาพักอยู่ด้วยกรุณาพักอยู่ด้วยมุทิตาหรือพักอยู่ด้วยอุเบกขาบางคนบอกใช่เขาพักอยู่ด้วยอุเบกขาแต่อุเบกขาสหากตังเน่ยนะอุทจจะสัมประยุตังแปลว่าอุเบกขามันก็ถูกนะแต่อุเบกขานั้นไม่เอาไม่ต้องพูดถึงอุเบกขาที่ประกอบอะไรนกับโมหันจําเป็นต้องพูดอย่างนั้นเลย มันกอุเบกขาพรหมวิหารอุเบกขาที่ประกอบด้วยปัญญาอุเบกขาคือตัตตระมัจตตาตานึงนะพรหมวิหารมีที่อยู่เป็นยังไงสองทิพภวิหารเจริญสมถะอะไรบ้างสามอริยวิหารคือวิปัสสนาเนี่ยนะเพื่อแทงตลอดอริยผลเนี่ยนะกลุ่มนี้เรียกว่ากลุ่มพรหมวิหารทิพภวิหารและอริยวิหารถ้าทิพภวิหารกับอริยวิหารประชมกันน่ยแต่ว่าจริงๆถ้าระดับสูงสุดเลยก็คือ อริยวิหารคือสมาบัติทั้งหลายพระสมาบัติอันนะัที่พระวิหารคือฌานสมาบัตรรูปฌานและรูปฌานพรหมวิหารก็คือระดับพรหมวิหารชั้นสูงทีนี้ก็ย้อนกลับมาว่าแล้วของพวกเราทั้งหลายกําลังสร้างวิหารอะไรอยู่ลงเข็มได้เท่าไหร่ละเข็มคืออะไรเข็มฐานฐานล่างก็คือศีลนะ่ะตอกที่ถว่าจะรองรับคุณธรรมของตัวเองเท่าไหร่แล้วออกแบบเสร็จหรือ ย, ยังเนี่ยนะออกแบบพรหมวิหารในใจตัวเองเนี่ยนะ มุนโชออกแบบใจหรืออย่างวิจัยเรานะชาตินี้ก่อนตายนะพรหมวิหารของเราต้องโตเท่านี้ใหญ่ยยอย่างนี้อลังการวิจิตพิสดารแบบนี้ตกแต่งอย่างดีอย่างนี้ที่ิพระวิหารนะต้องแต่งใจให้มันได้อย่างนี้นะอริยวิหารต้องแต่งให้มันได้ระดับนี้แต่งใจของเราบ้างหรือยังนะไ่เที่ยวแต่แต่งให้คนอื่นไม่มดนะ้แต่งให้ใจตัวเองว่าเราเนี่ยอยากมีใจอยู่แบบไหนนะใจเราต้องอยู่กับผู้ทานุสติไหมอยู่กับก็เรียกว่าฝึกใจอย่างเงี้ยโดยเฉพาะ พุทธานุสติเนี่ยนะถ้าเราไม่แต่งใจอย่างนี้บ่อยๆเนี่ยต่อไปเขาก็เริืมๆลลืมแล้วต่อไปก็ไม่มีใครรู้จักพระพุทธเจ้าแล้วหลายแห่งไปเขาก็ไม่ค่อยรู้จักพระพุทธเจ้าแล้วเนี่ยนะไปอย่างเราไปเนปาลเนี่ยนะเนปาลนะแถวๆบริเวณที่พระองค์ตรัสรู้เขาก็รู้ว่าเป็นบุคคลพิเศษเป็นบุคคลยิ่งใหญ่คนหนึ่งในตรงนั้นนะะก็ทํารูปปั้นอนุสาวรีย์ให้คนมาท่องเที่ยวไปอะไรไปแต่เขาไม่รู้พระคุณหรอกอย่างเอา หลายๆคนที่อยู่แถวบริเวณที่พระพุทธเจ้าตัดสรู้เขารู้ไหมว่าพระองค์นั่งตัดสรุอะไรตรงนั้นพระองค์มาทําอะไรตรงนั้นก็สุชาดาสุชาดาก็ว่าไปเรื่อยแหละนะบ้านสุชาดาโพธิเป็นต้นก็พูดไปเรื่อยแต่ว่าเขารู้พระคุณไหมพระองค์ตัดสรุอะไรไปที่สารนาฏเ <N> นี่ยนะไปที่พระองค์แสดงธรรมจักกับปวัตนาสูตรเนี่ยไปรู้ไหมเขารู้ว่าพระองค์สอนอะไรตรงนั้นพระองค์บรรยายอะไรตรงนั้นเนี่ยนะเราก็ต้องพยายามมีโอกาสให้ให้ใจเนี่ย โครจรไปในพุทธคุณเนี่ยให้มากๆโครจรไปในพุทธคุณเนี่ยโดยเฉพาะว่าเนี่ยตอนท้ายท้ายของเล่มหนังสือของมาเอาพระพุทธคุณมาลงมาให้ด้วยเนี่ยนะตั้งแต่อรหังเป็นต้นอัฏฐะโดยโย่อๆเนี่ยนะอัฏฐะโดยโย่อๆก็ไปกําหนดจดจําเอาเนี่ยนะว่าอันนี้ก็เป็นโครงสร้างค่อนข้างแบบย่อๆในพระพุทธคุณทั้งหลายพันถ้าหากว่าเรา จิตของเราได้โคจรไปตั้งแต่อรหัน์สัมมาสัมพุโทโธวิชาจารณะสัมปันโนเนี่ยนะสิ่งเหล่านี้เนี่ยจะช่วยให้เราเนี่ยมีมีอะไรมีอะไรอยู่พุทธวิหารอยู่บ้างนะเรียกว่าใจของเราอยู่ด้วยพุทธานุสติเนี่ยนะอยู่ด้วยเครื่องอยู่ที่ประเสริฐ <c oughs> เพราะฉะนั้นย้อนกลับมาในมิลินทปัญหาสักเล็กน้อยก่อนจะเลิกว่า พระพุทธเจ้าผู้เป็นเทพยิ่งกว่าเป็นเทพเนี่ยนะพระองค์เนี่ยอุบัติขึ้นมาในโลกอย่างไรเกิดขึ้นมาในโลกเพื่ออะไรพระองค์ตรัสว่าดูก่อนพิสูจนทั้งหลายบุคคลผู้เป็นเอกคือเป็นหนึ่งเดียวเนี่ยหนึ่งเดียวที่ไม่มีใครเสมอเหมือนเนี่ยเกิดมาในโลกเกิดมาเพื่อเกื้อกูลแก่ชนทั้งหลายจํานวนมาก เพ like. oh. well, so claro. ื่อความสุขแก่ชนทั้งหลายเป็นอันมากเพื่ออนุเคราะห์โลกเพื่อประโยชน์เพื่อเกื้อกูลเพื่อความสุขของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายแปลว่าพระองค์เกิดมาเพื่อให้สัตว์ทั้งหลายได้รับประโยชน์คือพระนิพพานพระองค์เกิดมาเพื่อให้สัตว์ทั้งหลายได้รับความเกื้อกูลคืออริยมรรคพระองค์เกิดขึ้นมาในโลกเพื่อให้สัตว์อื่นนั้นได้รับอริยผลเพราะปณิธานของพระองค์ตั้งไว้แล้วว่าเราประนิพพานแล้วจะให้ผู้อื่นนิ้ผ่านด้วยเราข้ามด้วยอริยมรรคแล้ว จะให้ผู้อื่นข้ามด้วยเป็นต้นเน่ยนะเพราะฉะนั้นพระองค์นี้จึงเกิดมาเพื่อประโยชน์เพื่อเกื้อกูลพระองค์คือพระตถาคตแยกทีละคำนตะตถาคตอรหันตะสัมมาสัมพุทธเจ้าตถาคตคือเสด็จมาเหมือนกับ พระพุทธเจ้าองค์ก่อนๆทุกพระองค์สเสด็จไปเหมือนพระพุทธเจ้าทุกพระองค์รู้เหมือนกับพระพุทธเจ้าทุกพระองค์ตรัสรู้อรหันต์ไกลาจากกิเลสกําจัดข้าสึกคือกิเลสเป็นต้นพระองค์สัมมาสัมพุทธาก็คือรู้ยิ่งธทำที่ควรรู้ยิ่งตรัสรู้สัพพยาธิธรรมทั้งปวงโดยไม่มีส่วนเหลื อ, อ น, นะก็จากที่กล่าวมานี่แม้แต่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์เดียวเนี่ยนะก็ขอให้เราเนี่ยได้มีจิตโครจรอยู่ในพระองค์บ่อยๆเธอ ถามว่าใจที่คิดถึงพระพุทธเจ้าเนี่ยนะถ้าเราคิดบอกโอ้ยทาในโลกนะเรามีรายได้เท่านั้นเท่านี้เราทํางานแล้วได้ผลตอบแทนเท่านี้ทาไม่ทําตรงนี้จะเสียเงินเท่านั้นเท่านี้เราตีเป็นตัวเลขไปหมดเลยใช่ไหมตีเป็นตัวเลขได้ใช่ไหมว่าราคามันเท่าไหร่แต่ใจของเราที่อยู่กับพระพุทธเจ้านี่ยยอมว่าควรจะมีราคาเท่าไหร่มารูว่ามันปิดอบายได้ควรจะมีราคาเท่าไหร่ครัเห็นไหม แล้วทําไมแบบอะไรนะแหมเรียกว่าให้มันจํากัดว่าเกินห้านาทีก็ดีเหมือนกันนะสวดมนต์ห้า น, นาทีสมนาทีบอกโอ้ยทำไมจํากัดสิทธิ์ที่ตัวเองขนาดนั้นนะไปนิดทาไมกําจัดสิทธิ์ที่ตัวเองขนาดนั้นว่าแม้กุศลจิตฉันเกิดได้ไม่เกินห้านาทีเพราะฉันมีเวลาสวดมนต์ได้ไม่เกินห้านาทีที่จริงเนี่ยนะเขาบอกว่ากุศลจิตเนี่ยเป็นสิ่งที่มีค่ามากถ้าเทียบกับถามว่ารูปกับนามเนี่ยน ะ, ะมหาภูตรูปกับกุศลจิตอันไหนมีค่ามากกว่ากัน เราประเมินค่าเป็นตัวเลขเนี่ยใช้กับรูปธปรรมดังนั้นแหละไม่ได้ใช้กับกุศลธรรมเลยแล้วกุศลธรรมที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันมีค่าคู่ควรแก่ปิดอบายทุกติวินิบาตและนรกทํำยังไงจะรักษาค่าของใจที่เป็นกุศลเนี่ยให้มันเกิดบ่อยที่สุดแล้วก็มากที่สุดแล้วก็ต่อเนื่องที่สุดรู้อยู่แล้วว่าอันนั้เขาบอกว่าขณะแบบที่เราเป็นอยู่ทั้งหลายเนี่ยมันหายากขณะไหนขณะที่เป็นมนุษย์เนี่ยนะ ไม่ไม่ใช่ธรรมดานะกว่าจะได้สติปัญญาเท่านี้นะยมว่ากว่าจะมีปัญญาเท่านี้ยมสะสมมากี่ปีก่อนหน้านี้เราก็าไม่เอาอีกนั่นแหละเชื่ อ, อกว่าจะได้เท่านี้นะถือว่าบ่มอินทรีย์มาขนาดไหนเนี่ยนะบางคนบ่มมาสาสิปีบางคนบ่มมาสี่สิบปีบางคนบ่มมาตั้งหกเจ็ดสิบปีอะไรเงี้ยก็บ่มอินทรีย์มาบ่มตาหูจมูกเล่นกายใจเห็นมาเยอะแยะไปหมดเลยแล้วสิ่งต่อเ น, นี่ยที่เราจะเหลือพอมีค่าก็คือจิตใจของเราเนี่ยนะทายังไงใจของเราให้อยู่กับ ใจที่เรียกว่าเป็นอริยรัพปะเนี้ควรฝากไว้ที่พระพุทธรัตนะฝากไว้ที่พระพุทธเจ้าฝากไว้ที่พระธรรมแล้วก็ฝากไว้ที่พระสองอ์สิ่งนี้นี้มีค่าหาประมาณไม่ได้เพราะกุศลจิตของเราทั้งหลายเป็นบุญเป็นวาสนาเป็นอุปนิสัยให้ข้ามพ้นจากวัตฏะแม้กระทั่งคนที่หวังบรรลุมรรคผลก็าตามเนี่ยอย่างไรก็ต้องเอาศรัทธาเนี่ยแหละเป็นเป็นบาตในการเจริญเพราะว่าอย่าลืมว่าเราเจริญ หรือเราปฏิบัติเพื่อตรัสรู้อย่างที่พระพุทธเจ้าพาให้เราตรัสรู้เพรัะถ้าเราไม่มีศรัทธาในพระองค์เนี่ยนะถ้าไม่เชื่อพระพุทธเจ้าคิดไหมว่าจะได้ตรัสรู้สิ่งที่พระพุทธเจ้าสอนบอกให้เรารู้มันก็ไม่ได้อยู่แล้วพันศรัทธาที่เรามีต่อพระองค์เนี่ยจะช่วยให้เราตรัสรู้ตามที่พระองค์สอนเนี่ยพันศรัทธาของเราเนี่ยจริงๆแล้วมีราคาหาประมาณไม่ได้ทํำยังไงที่จะว่าเพิ่มพูนราคาให้มันประกอบด้วยญาณสัมปยุตเพิ่มพูนคุณค่าของ กุศลจิตอันนี้เรียกว่าภาวิตาเรียกว่าเจริญอาเสวีตาก็คือทําให้มันเกิดบ่อยๆขึ้นเรียกว่าอาเสวีตาภาวิตาก็คือทําให้มีคุณภาพยิ่งๆขึ้นไปเนี่ยนะมันการบุคคลใดที่เจริญเช่นนี้ก็สามารถทําที่สุดแห่งทุกได้ก็ขออนุโมทนากับทุกท่านนนะวันนี้ก็ใช้เวลาแต่เพียงเท่านี้